พิสดารภาษาราบุตรมีความสามารถที่จะบัญญัติอริยศาสตร์สีโดยพิสดานสามารถแต่งตั้งอริยศาสตร์สีโดยพิสดานจำแนกเปิดเผยทําให้ตื้นซึ่งอริยศาสตร์สีได้โดยพิสดานเ พ, พระาะภาษาราบุตรจึงเป็นเหมือนกับเชื้อทอรสลูกชายโอนโตผู้ฉลาดมีความรู้มีความสามารถเพราะฉะนั้นมรดกเหล่าใดที่อ่ะ น, นะที่ควรจำแนกแบ่งปันเนี่ยนะให้ไปอยู่ในมือของภาษาราบุตรเพราะภาษาฤาบุตรสามารถ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 พวกเธอจงเสพจงคบสารีบุตรโมคลานะเถิดเพราะอะไรเพราะภิกษุทั้งหลายสารีบุตรโมคลานะเป็นบัณฑิตเพราะภาษารีบุตรพระโมคขลานะเป็นผู้ที่ฉลาดในขันอายตนะธาตุเป็นผู้ฉลาดฐานะอฐานะภาษาีบุตรเป็นพระโมคลานะเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์ตนเป็นต้นและขณะเดียวกันภาษารีบุตรมีใจกรุณาต่อเพื่อนสะพรมจารีภษาีบุตรนั้นเป็นผู้ที่หวังปลดเปลื้อง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 คืออริยสัจของพระผู้มีพระภาคจำแนกให้พิสดารได้เนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีสูตรหนึ่งเรียกว่าวิพังคสูตรเกี่ยวกับภาษาริบุตรจำแนกอริยสัจโดยพิสดารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนใอดถ้าหาว่าพระพิสุทธ์เหล่าใดเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์ก็จะส่งไปหาภาษาริบุตรเปรียบเหมือนพวกโอรสเป็นพันเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาก็ โน่นไปหาพระพี่ชายไปไปหาพระเชตโตรสพี่ชายองค์โตไปเวลาที่ภิกษุทั้งหลายฟังพระดํารัตของพระศาสดาก็เข้าไปหาพระธรรมเสนาปฏีสารีบุตรอาราธนาให้แสดงธรรมคือไปถึงเนี่ยนะพระสารีบทก็บอกว่าพอเข้าไปหาพระสารีบทพระสารีบุตรก็จะถามว่าเออพวกท่านเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธเจ้าเนี่ยประพฤติทําไม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 เวลาที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเริ่มพระสุตันตะคือพระสูตรนี้แล้วก็วางมาติกาหัวข้อโดยอริยศาสตร์ว่ากุศลธรรมเราไดเราหนึ่งทั้งหมดกุศลธรรมทั้งหมดนั้นประชมลงที่อริยศาสตร์แสดงว่าตั้งหัวข้อเรื่องอริยศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใหญ่มากเนี่ยนะเสร็จแล้วอริยศาสตร์แสดงทีเดียวรวดพร้อมกันเลยสีได้ไหมหัวข้ออได้แต่ลงรายละเอียดพร้อมกันยากว่างั้น เพราะฉะนั้นก็เว้น3อย่างก็คื อ, อยังไม่พูดถึงสัจจะสเอาเฉพาะทุกขะริยสัจมาแสดงโดยแสดงขัน5เนี่ยนะเปรียบเหมือนการเว้นหีบสใบแล้วก็เปิดใบเดียวเอาหีบเล็บออกมา5ใบฉะนั้นทีนี้พระสารีบุตรก็เว้ น, เ ว, นเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแสดงเฉพาะรูปขันและรูปขันก็แบ่งออกเป็น5ส่วนคือมหาภูตรูป4ี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4เนี่ยนะ เว้นมหาภูตรูป3าและอุปาทายรูปเอาเฉพาะปฐวีธาตุมาจําแนกเป็นสองอย่างเป็นภายในกับภายนอกภายนอกเอาไว้ก่อนแสดงแต่เฉพาะภายในโดยพิสดารโดยอาการ20เนี่ยนะแต่แล้วก็ค่อยๆจําแนกมหาภูตรูป3จําแนกอุปาทายรูปจําแนกอรูปปัจขันแล้วก็ประชุมลงอริยสัจในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันสรุปเนี่ยนะคือคือไม่ใช่ว่าท่านจะไม่แสดงนะท่านจะพอจําแนก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 เมื่อแกแล้วก็จะตายอีกแล้วนะนี่เนี่นนนยะโอ้ยถูกเผาไปกี่ชาติแล้วนี่เนอะเหมัอนกันนะอะเกิดก็เรานี่แหละแก่ก็เราเนี่แหละตายก็เรานี่แหละเนี่นยนะโศกโสกโสกะปริเทวะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ที่เราคิดว่าจะไม่สร้างปัญหาให้แก่เราเลยเนี่ยนะจะไม่สร้างความไม่สบายใจให้แก่ตัวเองเลยเนี่ยมีไหมเอะโดยเฉพาะในร่างกายของเราเนี่ยมีไหมส่วนไหนที่จะ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 ต่อไปบอกว่าไอ้มหาภูตรูปสี่เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะพุกเนี่ยนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยนะคือรูปรูปประกอบด้วยมหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปสี่มหาภูตรูปสี่มีปัทวีธาตุอาโปธาติตโชธาตและวายโยธาตเนี่ยนะนี่ก็มาลงรายละเอียดว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายปัทวีธาตุเป็นไยนะ ธาตุดินเนี่ยนะธาตุดินธาตุดินเนี่ยเป็นไงปฐวีธาตุเนี่ยเขแบ่งออกเป็นสองส่วนคื อ, อ, คอที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีเอาดูภายในก่อนปฐวีธาตุที่เป็นภายในเนี่ยเป็นฉไงปฐวีธาตุภายในก็คืออุปาทินกะรูปอันเป็นภายในอุปาทินกะรูปแปลว่ารูปที่ถูกใครสร้างขึ้นอุปาทานหรือกรรมและอุปาทานเนี่ย คง่าว่าตันหาอุปาทานพบสร้างขึ้นน่ะตันหาอาวิชากำเนี่ยเป็นตัวสร้างรูปเหล่านั้นขึ้นรูปเหล่านั้นเรียกว่าอุอุอปาทินหนะะ้ารูปรูปที่ถูกตันหาทิฐิเป็นต้นเนี่ยสร้างขึ้นที่เป็นของภายในในก็แปลว่าอะไรเฉพาะตนคําว่าปฐวีธาตุเน้นไปที่แข่นแข็งแล้วก็เป็นสิ่งที่กักขะคือหยาบเนี่ยนะ ที่แข็งแข็งแล้วก็หยาบถ้าเทียบกับธาตุอื่นๆเนี่ยนะเทียบกับธาตุลมาธาตุไฟเป็นต้นเนี่ยปฐวีาธาตุนี่ถือว่าเป็นาธาตุที่หยาบประกอบไปด้วยอะไรบ้างตจาจระปัญจกะก่อนก็บอกผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยนะผมก็ลักษณะที่หยาบขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างก็เป็นลักษณะที่หยาบอันนี้ก็ถ้าถ้าถ้าเปรียบเหมือนกับอะไรนะเคยเคยเห็นเขาเขาช้ำแหละโคลไหม บ ว, ว่าได้โคมาตัวหนึ่งเนี่ยนะนะก็ตอนที่ที่โคมันเดินจูงมาก็ยังเรียกว่าโคฆ่าแล้วนอนอยู่ก็ยังมองดูว่าเป็นโคเนี่ยนะนะแต่ถ้าเริ่มชำระแล้วพอเริ่มชำระแล้วนะวิธีชำละโคเขาเอาโคเนี่ยนอนหงายก่อนแล้วกรีดท้องกรีดเฉพาะส่วนที่เป็นหนงังแล้วก็แล่แล่แ ล, ล, ลออกมามันก็จะเป็นท่อนเสือปูแ ล, ล่ซ้ายแล่ขวาแล้วก็ ค่อยตัดเอาขาออกทีละขาทีละขาพอตัดขาออกเสร็จก็จะค่อยๆแล่เนื้อแล่เนื้อออกแล้วค่อยๆเข้าไปจัดการกับเครื่องในเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเรียกว่าก็เอาไปแขวนขายต่อไปชั้นใดเนี่ยนะถ้าพิจารณาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะตอนที่เดินมาเราก็เรียกว่าเป็นโคตอนที่นอนเนี่ยนะนอนเชือดอะนะก็กลายเป็นโคถ้าช้ำแหละเสร็จแล้วเป็นอะไรเขาขายโคไหมไปซื้อโคมาสองกิโอย่างเงี้ยนะ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 ก็ลองคิดเออเอาผมคนเล็บฟันหนังออกไปนะก็แกล้วอไปอีกไหมเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเนี่ยเอาออกไปหัวใจตับพังผืดม้ามปอดเนี่ยเอาออกไปไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าบอกเอาเหลือใครแล้วกันเนี้เอาหมดแล้วนะหมดแล้วตอนแรกก็บอกแม้เราว่าเป็นของเราเพราะชํำแหละแ ย, แยกแยกออกไปเนี่ยแล้วเป็นใครเป็นของใครล่ะก็เป็นเป็นปฐวีธาตุเนี่ยนะเป็นปฐวีธาตุที่อ่ะแข่นแข็งแล้วก็เป็น ของหยาบหรือปฐวีอันใดอกเนี่ยนะซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปอันเป็นภายในของเป็นของเฉพาะตนที่เป็นของแข็งแข็งความแค่นแข็งเนี่ยนะลักษณะที่แข็งแข็งเนี่ยที่อยู่ภายในร่างกายของเรามีเฉพาะในผมเล็บผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมอยู่เฉพาะในเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจตับพังผืดเป็นต้นใช่ไหมเลือดเนี่ยแข็งตัวได้ไห ได้เอ็นเนี่ยอะไรเลือดน้ำตาเนี่ยแข็งเกาะกลังได้ไหมแข็งได้ไหมได้และอะไรน้ำมูกเนี่ยเกาะตัวเป็นของแข็งก้อนแข็งได้ไหมบอกก็ได้น้ํามันเหลวเนี่ยปั้นมาเป็นก้อนได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณลักษณะที่แข็นแข็งเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะในผมเล็บคนหนังฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อในกระดูกเป็นต้นมันแข็นแข็งเนี่ยบางทีมันอยู่ในเลือดด้วยนะอยู่ในน้ําตาใช่ไหม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 หัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่สายรัไส้อาหารหม่อาหารเก่าความแค้นแข็งทั้งมวลที่อยู่ในกายเนี่ยแล้วความจริงมันคืออะไรเห็น <c oughs> ให้มันตรงตามความเป็นจริงความจริงมันไม่ใช่ของเราเอานะบอกว่ามันจะเป็นของเราไหมล่ะเอาเป็นภาระขนาดไหนเอาเขาบอกว่าของถ้าเป็นของเราจริงมันนํามาซึ่งความสบายใช่ไหมเอาเหอะใครที่มีร่างกายมาเนี่ยถามจริงอ่ะบริหารร่างกายอย่างมีความสุขไหม